ปนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปทิฏิวิสุทธ์คือการทําความเห็นของตนให้บริสุทธิ์ตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานนั้นในข้อต่อไปก็เพื่อจะมองถึงความจริงแห่งสังขารทั้งหลายซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตามปกติแล้วความรู้สึกของสามัญชนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะมักจะมีการกำหนดหมายและมีความรู้สึกในสิ่งซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงแล้วไม่เที่ยงว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอน จึงทำให้บุคคลเหล่านั้นดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาททั้งในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคแข็งตดนบุคคลผู้ประมาทมองชีวิตที่สั้นเพียงเล็กน้อยคล้ายๆว่าตัวเองจะอยู่คำฟ้าไม่ได้ใช้เวลาที่มาถึงเข้าให้กรอบด้วยสาระประโยชน์ เพื่อสร้างสาระแก่นสารแห่งชีวิตของตนเอาไว้เพราะอายุของมนุษย์นั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเป็นอายุที่น้อยมากข้อ น, นี้ท่านได้เล่าถึงมาลาภารีเทพบุตรซึ่งได้ทราบการดำรงชีวิตของมนุษย์จากนางปาติปูชิกาเทพธิดาทราบว่า มนุษย์ได้ใช้ชีวิตไปด้วยความประมาทก็เกิดความสังเวชสลดจิตที่คนซึ่งมีชีวิตเพียงเล็กน้อยแล้วน่าจะตักตวงโอกาสเหล่านั้นให้มีประโยชน์มากขึ้นแต่กลับปลอยผ่านแต่กลับปลอยให้ผ่านพ้นไปซึ่งความประมาทในที่นี้ก็สรุปลงที่สามประการดังกล่าวแล้วคือในวัยในชีวิต แต่ในความไม่มีโรคขั้นของวิปัสสนากรรมฐานจึงสอนให้มองความจริงแห่งสังขารทั้งหลายซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือสิ่งที่เป็นนามกับสิ่งที่เป็นรูปให้เห็นว่าเป็นอนิจจตาคือเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนลักษณะของความจริงส่วนนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือไม่บังเกิดขึ้นแต่เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่อย่า ง, างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามสังขารทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่ผู้ค้นพบนํามาเปิดเผยชีย้แจง สแสดงเกลโลกตามความจริงเท่านั้นการกำหนดพิจารณาสังขารหรือกำหนดพิจารณานามรูปตามหลักของใจรักนั้นบุคคลจะต้องทำความเข้าใจถึงภาวะที่เรียกว่าอนิจจตาที่แปลว่าเป็นของไม่เที่ยงซึ่งจะนั้นให้นิยามความหมายไปว่าเนื่องจากสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นแล้ว จะต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่มีสังขารใดที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงประการที่สองสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไปประการที่สามสังขารเหล่านั้นดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น ในชั้ของการพิจิตรพิจารณาเพื่อปรับจิตให้ยอมรับความจริงในส่วนนี้ผู้พิจารณาจะต้องอาศัยตัวปัญญาหรือสัมปชัญญะเป็นหลักในการพิจพิจารณามีสติเป็นตัวตามมีความเพียรเป็นตัวสนับสนุนชั้นของการพิจารณาท่านจําแนกไว้หลายชั้นด้วยกัน ชั้นแรกก็คือชั้นของปริยัตได้แก่การศึกษาการจำส่งการท่องบนสาธิยายเช่นเวลาทำวัดเช้าก็สวดกันว่ารู ป, ปังานิจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังานิจังซึ่งแปลเป็นใจความว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเป็นของไม่เที่ยง สังขารเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงซึ่งการสวดในลักษณะนี้ใจก็ต้องกำหนดอยู่ที่ข้อความซึ่งสวดจูบเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามไปโดยการสวดเพียงครั้งสองครั้งอาจจะไม่เห็นแต่เมื่อสวดบ่อยๆคิดตามไ ป, ไปบ่อยๆความเข้าใจ การยอมรับความจริงในชั้นนี้ก็จะบังเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเมื่อสวดและพิจารณาตามไปโดยวิธีนี้บุคคลเหล่านั้นสามารถบรรเทาความเศร้าโศกเมื่อประสบกับความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนต่างๆไปได้ว่าสิ่งที่ได้สวดร้องท่องบทและสิ่งที่ได้พิพจารณาไว้นั้น ได้ถูกเก็บไว้ภายในจิตสำนึกทำนองเดียวกับความรู้เรื่องราวต่างๆที่บุคคลเก็บไว้ภายในใจดูไปแล้วคล้ายๆจะไม่มีแต่เมื่อมีปัญหาที่จะต้องตอบจะต้อง แ, แก้ไขข้อข้องใจต่างๆหรือจะต้องทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาช่วยเหลือในการตอบการทำงานของบุคคล การพิจารณาใจลักตามหลักประยัดชั้นต้นก็มีนัยยะเช่นเดียวกันพิจารณาไปบ่อยๆสวดไปบ่อยๆคิดตามไปบ่อยๆสิ่งเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ภายในจิตเวลาประสบกับความจริงแห่งชีวิตคือความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายปัญญาที่เก็บไว้เหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นมาช่วยคุ้มครองใจ แม้มีสัตว์มีบุคคลมีสิ่งของอันเป็นทีักแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าแตกทําลายไปใจก็จะได้หลักเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ต้องเศร้าโศกในท่ามกลางของบุคคลผู้เศร้าโศกเพราะยอมรับกันนั่นคือความจริงอย่างหนึ่งที่ชีวิตทั้งหลายจะต้องประสบอีกชั้นหนึ่งท่านใช้คำว่า จินตาสมะสนะไหนคือการพิจารณาโดยนยะของความคิดหมายความว่าเมื่อบุคคลได้เห็นได้พิจารณาถึงรูปในชั้นของปริยัติมาพอสมควรแล้วต่อไปก็อาศัยรูปยันใดยังหนึ่งในปัจจุบันนี้เองซึ่งอาจจะดูมาจากกลมหายใจเข้าออก ที่มีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเมื่อมองเห็นได้ชัดเจนในจุดนั้นแล้วก็จะโยงความเข้าใจไปหาส่วนอื่นๆของนามรูปเหล่านั้นจนในที่สุดจะมองเห็นถึงความจริงของนามรูปว่านามรูปทั้งหลายหรือสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ก็ได้ดับไปแล้วในอนดีตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะดับในอนาคตที่มีอยู่เป็นอยู่ก็จะดับไปในปัจจุบันนี้แล้วความเข้าใจเหล่านั้นก็จะโยงเข้าหารูปนามทั้งมวลในโลกนี้ว่าตกอยู่ในสภาพอันเดียวกันอย่างที่พระพุ้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงวิปัสนาญาณแกท่านปัญจวัคคีตอนที่ว่าด้วยการมองรูปนามในแง่มุมต่างๆว่าขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประีก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ ด, รกดีรูปทั้งหมด ก็เพียงสักแต่รูปเท่านั้นเพราะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อพิจารณาเจาะลงไปในส่วนนี้บุคคลก็จะมองเห็นความจริงว่าความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของนามรูปนั้นมีอยู่ตลอดเวลาหรือดูแบบหยาบๆก็อาจจะเอารูปถ่ายในวัยต่างๆมาวางเรียงกันแล้วดู ก็จะเห็นโดยความเป็นอันเดียวกันซึ่งการพิจิพิจารณาในชั้นนี้ถ้าหากว่าให้เห็นได้ชัดเจนด้วยสายตาของปัญญาธรรมดาเราอาจจะกางฟิล์มภาพยนตร์ออกมาดูก็ก็จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ที่ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นบทเป็นบาทมีการพูดจาประสัยนั้นที่จริงเกิดดับตลอด แต่อาศัยที่มันเกิดดับเร็ว่นั้นระดูแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวติดต่อกันแท้จริงรูปเหล่านั้นได้เกิดดับมาเป็นพันๆครั้งอิริยาบถต่างๆที่ปรากฏในฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งดูด้วยตาเปล่านั้นเป็นอิริยาบถ ท, ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับเวลาเข้าเครื่องฉายภาพยนตร์มันหมุนไปเร็วเราดูเป็นอาการต่อเนื่อง ซึ่งตามหลักแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่ตลอดนี่คือการพินิษพิจารณามองให้เห็นถึงความจริงของนามรูปโดยเริ่มมาจากจุดใดจุดหนึ่งให้ได้เสียก่อนในชั้นต่อไปท่านใช้คำลลว่าอัธฐานะสมณะไหนคือพินิษ์พิจารณาถึงใน อดีตการอันยาวนานดยเริ่มมาจากรูปของใครก็ได้ซึ่งตามปกติแล้วการพิจารณารูปในตอนต้นมักจะเป็นการพิจารณารูปของตนเองเพราะใกล้ชิดมากมองดูถึงความเปลี่ยนแปลงรูปร่างกายในอดีตตั้งแต่เริ่มเกิดมาเราจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด ภาวะโดยสรุปในความเป็นนามเป็นรูปเหล่านั้นก็เกิดดับมาเรื่อยและดับเป็นช่วงใหญ่คือดับในวัยต่างๆก็เป็นความดับที่เห็นได้ชัดเจนว่าที่จริงแล้วเราในในสมัยเด็กกับเราในสมัยปัจจุบันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันแต่ว่าเกี่ยวเนื่องถึงกันเท่านั้นเป็นลักษณะของความเปลี่ยนแปลงทํานองสายน้ําไหล หรือกอระแสไฟที่กำลังปรากฏอยูกอ่กระแสไฟในขณะ น, นี้กับกระแสไฟเมื่อ1นนาทีที่แล้วเป็นคนละกระแสกันแต่ดูแล้วคล้ายๆจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะมีความสืบเนื่องต่อกันเท่านั้นเองเมื่อมองย้อนไปสู่อดีตสมัยก็จะมองเห็นนามรูปทุกลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของประณีตหยาบเลวอยู่ไกลอยู่ใกล้เป็นต้นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนั้นแต่การใช้ปัญญาพินิษ์พิจารนานั้นก็อาจจะอาศัยในยะของอะไรก็ได้อย่างพระปตาจาราเถรบีท่านประสบปัญหาความสูญเสียอย่างรุนแรงชั่วระยะเวลาเพียงคืนเดียว สามีหนึ่งคนลูกชายสองคนพี่ชายหนึ่งคนกับพ่อแม่รวมหกคนต า, ตายลงในคืนเดียวกันท่า น, นจนท่านสติวิปลาตคือเป็นบ้าไปได้แต่เมื่อไปสู่พุทธสํานักอาศัยพระพุทธดํารัสทิสัตว่าจงกลับได้สติเถิดพระคินีท่านก็หายจากความเป็นบ้า ก็เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งท่านตักน้ำแล้วเทลงไปที่พื้นดินน้ำไหลไปช่วงหนึ่งก็หายไปท่านก็ตักมากขึ้นอีกเทลงไปอีกน้ำไหลไปไกลกว่าก่อนแต่ก็หายไปอีกตักเพิ่มขึ้นอีกเทลงอีกน้ำไหลไปไกลกว่าเดิมแต่ในที่สุดก็ ดูซึมหายไปในดินหมดเีงท่านก็อาศัยน้ําที่ท่านตักขึ้นเพียงสามครั้งแล้วก็เทลงไปในดินพิจารณามองดูชีวิตของคนสัตว์ทั้งหลายซึ่งท่านฝังใจอยู่ฝังใจอยู่กับครอบครัวทั้งหกคนที่ตายจากไปในวัยที่ต่างๆลูกคนเล็กเกิดในวันนั้นเกิดในคืนนั้นแล้วก็ตายในคืนนั้น โลกคนโตเกิดปีก่อนมาตายในคืนนั้นสามีเกิดนานกว่านั้นก็มาตายในคืนนั้นพี่ชายเกิดนานขึ้นแต่ก็ตายเหมือนกันพ่อแม่เกิดนานไปกว่านั้นแล้วก็ต้องตายเหมือนกันก็อมองเห็นชีวิตว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจงึงอาจจะเกิดในวัยต้ น, ตน รบุญกุศลจำนวนน้อยเหมือนน้ำที่เทลงไปในดินเพียงเล็กน้อยไหลลงไปแล้วก็หมดสัตว์บางจำพวกอาจจะตายในมัชชิมาัยคือวัยตอนกลางพระบุญกุศลมีประมาณมีพอประมาณเหมือนกับน้าที่เทลงไปในครั้งที่สองไหลเลยไปหน่อยแต่ในที่สุดมันก็หมดเหมือนกันสัตว์บางจำพวกมีอายุยืน นานกว่าพวกที่สองและพวกที่หนึ่งแต่ในที่สุดก็ต้องแตกดับไปเหมือนกับน้ำปริมาณมากที่ท่านตักขึ้นในครั้งที่สามแล้วเท ล, ลงไปชนะท่านก็ดูตรงนี้เองดูกลับไปกลับมาพิจารณากลับไปกลับมาจนมองเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความดารงอยู่เพียงชั่วขณะ ของสัตว์และสังขารทั้งหลายเพราะปัญหาเรื่องสัตว์และสังขารที่รู้แต่เจ้ามักใช้คำว่าสังขารเป็นลักษณะร่วมของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคือเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยต่างๆดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆและเมื่อเหตุปัจจัยหลักในการดำรงอยู่เสื่อมสลายไปความดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้น ก็หมดสิ้นตามไปด้วยก็มีมากไปอย่างนั้นเองเอกภาพของคนสัตว์จ่งของจึงอยู่ในภาวะที่เป็นไตรลักอย่างกล่าวแล้วดังนั้นท่านจึงหาความเข้าใจกับเพียงน้ำซึ่งเทลงไปสามครั้งน้านั้นก็เป็นรูปการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาของท่านก็เป็นนาภาวะความเปลี่ยนแปลงก็เป็นนามก็แสดงว่าเห็นนามเห็นรูป อยู่ในขณะนั้นในที่สุดก็เริ่มพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างลงถึงความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ประกานตะ ก, กุดีรู้ด้วยพระญาณว่านางปตาจารากำลังพิจารณาเห็นไปรลักณ์เช่นนั้นก็ทรงเปล่งฉพันรังสีไปคล้ายๆกับปรากฏพระองค์เฉพาะหน้าของนาง รับสั่งว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆประตาจาราเป็นเช่นนั้นจริงๆประตาจาราคนเราแม้จะมีอายุยืนตั้งร้อยปีแต่ถ้าไม่เห็นความเกิดและความดับแล้วก็สู้คนที่มีอายุเพียงวันเดียวแต่เห็นความเกิดความดับของสังขารทั้งหลายไม่ได้ เมื่อท่านได้ฟังประธรร ม, มเทศนาเช่นนั้นพิจารณาตามไปก็บรรลุอรหัตในที่นั้นเองซึ่งเป็นการบรรลุอรหัตในอิริยาบทที่แปลกคือในขณะที่ล้างเท้าอยู่ทั้นนั้นอันเป็นการเชื่อเห็นอีกมุมหนึ่งว่าตัววิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ค่อยจะเกี่ยวกับสถานที่อะไรเท่าไหร่และไม่เกี่ยวกับอิริยาบทมากมายอะไรตัวการสาคัญอยู่ที่ ปัญญาพิจารณาเห็นถึงความจริงของนามรูปตามหลักของพระจัยลักคนจะอยู่ในอุรยาบทอะไรก็ได้เพราะตามหลักฐานที่ปรากฏในพระพุทธศาสนานั้นท่านบรรลุมรรคผลกันได้ทุกอุรยาบทพระองค์เดินเดินหยุดมองดูพยับแดดดูความเปลี่ยนแปลงของพยับแดดซึ่งเป็นรูปชนิดหนึ่งท่านก็มองดูไปด้วย มองไกลๆเห็นภาพคล้ายๆกับมีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาได้แต่ภาพนั้นก็ถอยห่างออกไปทุกทีไม่เคยเจอจริงๆก็คล้ายๆกับว่าบุคคลขึ้นไปสู่พวงอวกาศมองเห็นเขียวอยู่ด้วยท้องฟ้าสีครามอยู่ด้วยคล้ายๆจะไปถึงแต่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยถึงสักทีหนึ่งภาพนั้นจึงเป็นเพียงมายาเป็นภาพลวงตาน มองดูแล้วค ล, ล้ายใกล้แต่แท้ที่จริงไกลแต่ไกล ย, ยังไงก็ไม่เคยไปถึงมันไม่ว่าจะด้วยยานภาณะอะไรก็ตามในความเป็นรูปเป็นนามของสิ่งทั้งหลายจึงเป็นเรื่องของสังขารธรรมที่มีการปรุงแต่งกันดังกล่าวบุคคลอาศัยการพินิจพิจารณาโดยนัยะใดในัยะใดแม้ในสามช่วงที่กล่าวมาแล้ว ก็จะเห็นความจริงตามหลักของพระใจลักษ์ที่เรียกว่าอนิจจตาได้อีกชั้นหนึ่งนั้นให้พิจารณาในแง่ของสัน ต, ติที่ท่านใช้คำว่าสัน ต, ติสัมมสนาในคือนยะแห่งการพินิจพิจารณาแบบการเกิดที่สืบเนื่องกันซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวการนี้เป็นตัวหลัก ที่บังไทรลักษ์ข้อนี้เอาไว้คือบังความเป็นอนิจจตาเอาไว้ได้แก่สันธิติคือสิ่งที่เกิดสืบเนื่องกันมันไหลติดต่อกันทยอยกันมาอย่างนี้เหมือนแม่น้าเจ้าพระยาหรือเหมือนกระแสะไฟฟ้าที่กำลังปรากฏอยู่แม่น้าเจ้าพระยานี้เรียกแม่น้ำเจ้าพระยามานานนะที่จริงน้ำในแม่น้าเจ้าพระยาตรงจุดใดจุดหนึง่ง เมื่อวานนี้มันคนละน้ํากับน้ําในวันนี้แต่เราก็ยังเรียกอย่างนั้นหรือเหมือนกับแส้ไฟดังกล่าวแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีการเกิดที่สืบเนื่องกันเป็นสัญติเกิดดับเกิดดับแต่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเมื่อมองด้วยสายตาธรรมดาก็มองเห็นความเป็นอันเดียวกันแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นกลุ่มของมูล กลุ่มของศาสารที่เรียงตามสืบเนื่องกันไปเท่านั้นหรือมองให้ชัดอีกในยะหนึ่งก็จะดูเหมือนเส้นช็อกที่เราขีดลงบนกระดานมองแล้วก็เป็นเส้นเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเอากล้องจุลทรรศมาส่องดูจะเห็นว่าไม่มีเส้นอยู่เลยนั้นเพียงแต่ผงช็อกมาวางเรียงกันอยู่เท่านั้นเองสังขารทั้งหลายก็เหมือนกัน เป็นกลุ่มของสิ่งต่างๆที่มาประกอบกันแล้วก็เกิดสืบเนื่องกันไปถึงว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วในรูปธรรมเองคนก็ตายกันหมดแล้วเป็นชุดๆไปแต่เนื่องจากทิ้งใหม่มันเกิดมาทดแทนเรื่อยจึงดูแล้วคล้ายๆก็ยังมีอยู่และเราก็พูดกันในแง่ของสมมติเช่นผมตายหนังตายเล็บตาย มันก็ตายจริงๆแต่เนื่องจากมันมีอันใหม่เกิดขึ้นมาเราจึงถือว่าเป็นการตายแบบสมมุติไม่ใช่ตายจริงซึ่งในแง่ของความจริงได้ตายจริงแล้วในส่วนนั้นได้ตายไปอย่างแท้จริงแล้วเมื่อส่วนใหม่เกิดมาก็เกิดเพื่อจะตายต่อไปมาดูที่ร่างกายของคนเราซึ่งเวลาสอนจะทรงสอนให้ดูตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงปลายเล็บเท้า จะดูในจุดไหนเฉพาะในจุดนี้ก็คือจุดของความเปลี่ยนแปลงเห็นว่าผมเก่าก็หลุดเรื่องมผมใหม่ก็เกิดขึ้นแทนผมเก่าที่ตัดขาดไปผมใหม่ก็เกิดมาทดแทนอยู่เรืยซึงว่าที่จริงเป็นคนละผมกันแล้วคนละเหตุคนละปัจจัยกันด้วยแต่อาศัยความสืบเนื่องเหล่านี้เองเมื่อคนไม่แยกออกก็มองดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ย่งฟิล์มภาพยนตร์ที่กล่าวมาแล้วนี่ก็คือเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของสันติที่เ ก, เกิดติดต่อกันไปคล้ายๆกับเวลาคนเขียนการ์ตูนที่ออกมาในรูปต่างๆเขา ก, ก็เขียนกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภาพแล้วก็ใช้เครื่องฉายให้มันหมุนได้เวลาหมุนก็ดูคล้ายๆการ์ตูนวิ่งเล่นอะไรต่างๆที่จริงเป็นภาพนิ่งทั้งหมด เพราะอาศัยสัน ต, ติที่หมุนสืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายนั่นเองความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆจึงยังปรากฏอยู่ทางาศาสนาจึงสอนในแง่ที่ให้แยกตัวสัน ต, ติออกไปเกิอการที่เกิดสืบเนื่องกันออกไปแล้วก็จะเห็นความจริงแห่งสังขารตามข้อว่าอานิจจตาดังกล่าวแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจว่าชั้นนี้คือชั้นของวิปัสสนาไม่ใช่ชั้นของสมมติสัจจะชั้นสมมติสัจจะเช่นว่าบุญบาปต่างๆที่บุคคลทำไว้มันก็มีลักษณะของสันติคือการเกิดสืบเนื่องกันและคนจะต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําเหล่านั้นคล้ายๆกับไฟใครไปจุดไฟเข้าในจุดนี้ในที่นี้ รถไฟลามไปไหม้ที่บางลําพูซึ่งว่าที่จริงเป็นคนรับไฟกันเราจุดในวัดประวันไม่ได้เกี่ยวกับไฟที่บางลําพูแต่เนื่องจากเป็นไฟที่เกิดสืบเนื่องไปจากที่นี่เพะนขนจากไฟไหม้ที่บางลําพูเราต้องรับด้วยนี้คือความจริงในขั้นสมมติขั้นบาปขั้นบุญขั้นโลคิยะส่วนความจริงขั้นประตรายลักษณ์เป็นการเข้าถึงความจริงที่แท้จริงของโลกของชีวิตทั้งหลาย ซึ่งเมื่อเห็นความจริงในชั้นนี้ได้ก็จะสามารถบรรเทาความหลงความเข้าใจผิดความยึดติดด้วยอำนาจตัณหามานะในสัตว์และสังขารทั้งหลายลงไปได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานในส่วนพิจารณาอนิจจตาือเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายด้วยการเพิกคือหมายความว่าแยกตัวสัน ต, ติออกไปตัวสืบเนื่องออกไปตำนองเดียวกับ ดึงฟิล์มภาพยนตร์มาจากเครื่องฉายภาพยนตร์แล้วมาดูด้วยตาก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีภาวะอย่างนั้นอยู่อย่างจริงๆเป็นอาการเกิดสืบเนื่องของสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นตามพิจารณาตามไปโดยลาดับซึ่งยังมีขั้นตอนอีกมากนั้นปัญญาความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็จะบังเกิดขึ้นซึ่งข้อ น, นี้ได้ทรงแสดงไว้ว่า เมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมจะหน่ายในทุกข์นี่คือทางแห่งความหมดจดหรือทางแห่งวิสุทธิ์หรือทิฏฐิวิสุทธิ์ดังที่กล่าวต่อจตกนี้ไปก็ให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป